เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติพระสัตรธรรมทุกท่านวันนี้พบกับรายการธรรมสู่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำ ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้คราวที่แล้วอาตมาได้ติดค้างท่านสาธุชนไว้ในธรรมบัญญายเรื่องสติปฐานสี่คือการเจริญพระกรรมฐานมีสติพิจารณาเห็นกายเวทนาจิตและธรรมทั้งณภายในในส่วนละเอียดและณภายนอกคือส่วนหยาบ ที่ประเดชประคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณได้บรรยายเอาไว้เนื่องในงานอบรมพระกรรมฐานประจำปีของวัดหลวงพ่สดธรรมกายรามซึ่งจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีปีละสองรุ่นคือรุ่นกลางปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสีเดือนพฤษภาคมและรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมเป็นประจาทุกปีสาธุชนท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดวันนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายเรื่องการเจริญสติปัฏฐานสี่จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณต่อจากขราวที่แล้วโดยพร้อมกันณบัดนี้กล่าวถึง ปฏิบัติตามแนววิชาธรรมกายนี้กระผมใครจะให้ทราบว่าพระอรหันต์ท่านกล่าวไว้ว่าอย่างไรพระอรหันต์ใดๆที่กล่าวถึงธรรมกายแล้วท่านก็ว่าท่านเป็นธรรมกายทั้งนั้น แต่จำเพาะที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้น่กระผมจะอ่านให้ฟังเท่าที่คัดมาจากพระไตรปิฎกมีอยู่ในพระสุตตันตปิฎกทีคนิกายปาติกวัตอักคันยสูตรพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่สิบเอ็ดหน้าเจ็ดสิสี่ถึงเจ็ดสิบหท่านว่าดูกระวาสีทะและภาระทวาชะ ก็ผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแต่รากแก้วคืออริยมรรคประดิษฐานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือผู้ใดผู้หนึ่งในโลกไม่พลากไปได้ควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอษของผู้ผู้มีพระภาคตรงนี้ท่านใช้คำว่าเกิด เพราะอะไรเพราะสมัยนั้นาศาสนาพราหมณ์กำลังมีอิทธิพลมากถือว่าชนชั้นพราหมณ์เป็นชนชั้นสูงในบางครั้งบางสมัยถึงกับสูงกว่าชนชั้นกษัตริย์แต่ในสมัยที่พระพุทธองค์อุบัติขึ้นนั้นวันณะพราหมณ์เป็นที่สองรองจากวันนะกษัตริย์เขาถือว่าเขาเกิดจากพระพรหม แม้กระทั่งร่างกายของเขาจิตใจของเขาเขาก็บอกว่าส่วนนั้นเกิดจากโอดพระโอทของพระพรหมส่วนนี้เกิดจากพระอุระของพระพรหมส่วนนี้เกิดจากหัวใจพระพรหมอะไรก็แล้วแต่พระองค์จึงกล่าวว่าผู้ที่มีศรัทธาตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วแต่รากแก้วคืออริยมรตประดิสฐานมั่นคงอันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือผู้หนึ่งผู้ใดไม่พลากไปได คือไม่ทําให้หลงไข้เขวไปได้อีกแล้วควรเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเกิดแต่พระอุระเกิดแต่พระโอส์ของพระผู้มีพระภาคนี่พูดให้สอดคล้องกับแนวทางของาศาสนาพราหมณ์เป็นผู้เกิดแต่พระธรรมเป็นผู้ที่พระธรรมเนรมิตรขึ้นนะฮะเป็นผู้รับมรดก พระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคําว่าธรรมกายก็ดีว่าพรหมกายก็ดีธรรมภูตะก็ดีว่าพรหมภูตะก็ดีเป็นชื่อของตถาคตคําว่าตถาคตจึงไม่ใช่เจ้าชายสิทธัตถะกายเนื้อนี่เจ้าชายสิทธัตถะตถาคตนั่นธรรมกายมีอยู่ในหลายสูตรวัคคิสูตรก็ได้กล่าวไว้ ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่านี่วัคคะลิเธอจะมายืนเศร้าดูแต่ร่างกายอันเน่าเปื่อยของเราใหญ่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมวัคคะลิกัเสีย ใ, ใจโดนว่ากําลังหลงติดตามหลงพระพุทธเจ้าทำว่าหลงงามนะ วัคคริเห็นว่า ง, งามท่านบอกมาดูทำไมไร่างกายเน่าเปื่อยทุกวันทุกวันเนี่ยดูทาไมควรจะปฏิบัติให้เห็นธรรมสิเห็นธรรมแล้วถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงถ้าเห็นพระพุทธเจ้าองค์จริงแล้วจะได้เห็นธรรมของท่านนี่แล้วก็ท่านก็กล่าวณที่อื่นว่าท่านคือธรรมกายวัคคริน้อยใจไปปฏิบัติธรรม แต่ว่าจิตนั้นสงบจากกรมคุณความยินดีพอใจยึดติดในรูปในเสียงของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตสงบลงพอสงบลงพระองค์พระพุทธองค์ก็ส่งโอภาษไปสอนต่ออีกนิดเดียววักลิก็ บ, บรรลุธรรมนั่นเป็นอย่างนี้นฮะทีนี้มีหลายท่านที่เป็นพระอรหรันต์แล้ว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 พระสิกขีพระเวสภูพระกะกุสันโธพระโกนาคามณนะพระกสปะได้เสด็จไปแล้วโดยทางใดแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่โคดมก็ได้เสด็จไปแล้วโดยทางนั้นพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นี้ทรงปราศจากตัณหาไม่ทรงถือมัน่นทรงย่างถึงความสิ้นกิเลสเสด็จอุบัติแท้โดยธรรมกายผู้คงที่ ทรงเอ็นดูอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายได้ทรงแสดงธรรมคืออริ ย, ยสัจสีอันได้แก่ทุกเหตุเกิดทุกความดับทุกทางเป็นที่สิ้นทุกเป็นทางไม่เป็นไปแห่งทุกอันไม่มีที่สิ้นสุดในสงสารเพราะกายนี้แตกและเพราะความสิ้นชีวิตนี้การเกิดในภพใหม่อย่างอื่นนี้ได้มีเราเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากสัพพกิเลธทั้งปวงนี่ชัดเจนมีอีกมากพระคุณเจ้ามีเยอะ ในเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นจึงยืนยันได้เลยว่าพระประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้ละสังขารแล้วปฏิบัติเพื่อความเข้าถึงรู้เห็นและเป็นธรรมก า, ายนั่นเองคือจุดหมายปลายทางของมหาสติปฐานสี่ในส่วนที่เป็นกายานุปัสนาสติปฐานเวทนานุปัสนาสติปฐาน จิตตานุปัสสนาสติสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นท่านเรียกว่าอนุปัสนเนี่ยธรรมานุปัสสนาเนี่ยอนุวิปัสสนาเป็นอนุแต่ว่าเมื่อรวมกันแล้วนี่อนุนี่แปลว่าเห็นความเกิดดับของกายเวทนาจิตธรรมเป็นแต่เพียงพระไตรลักษณ์แต่เมื่ออริยมรรคเจริญแล้วนี่สติไปอยู่ที่ธรรมกายแล้วเป็นมหาสติปัฏฐาน ท่านลองถามผู้ที่ปฏิบัติถึงธรรมกายแล้วที่เขาปฏิบัติแก่่แล้วจิตเขาสบายอย่างไรเมื่อจิตเข้าไปอยู่ในธรรมกายนั่นแหละตัวมหาสติปัฏฐานพระประสงค์ของมหาสติปัฏฐานสิเป็นเช่นนั้นมีพระบาลีอยู่หมวดหนึ่งสาคัญที่สุดเอามาอ้างมากที่สุดเกี่ยวกับพระไตรลักษ แต่ก็เขวะกันอีกจุดนี้แหละส่วนนั่นก็คือที่ว่าสัพเพสังขาราอานิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ฟังให้ดีครับตรงนี้สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ ทุกเพราะอะไรเพราะเมื permitir, <failed S 1> ah ่อมันไม่เที่ยงก็เปลี่ยนไปด้วยไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้สวยๆประเดี๋ยวก็แก่เหี่ยวย่นหอมประเดี๋ยวก็หายไปตะเหมาะกลิ่นเม้นก็ตามมาอืมเปลี่ยนอยู่ด้ใย้ห้หอมนานๆก็ไม่ได้อร่อยประเดี๋ยวก็ไม่อร่อยแล้วนะซุกประเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วยึดไม่ได้ยิ่งยึดยิ่งทุกข์ทีเดียว ดังที่กล่าวแล้วถ้ายึดด้วยตัณหาอุปาทานนทุกข์เชียวนะพระพุทธองค์ยังทรงสแสดงว่าผู้มีโคย่อมเศร้าเพราะโคผู้มีบุตรย่อมเศร้าเพราะบุตรเพราะทั้งโคและบุตรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นของใครทำไปทำมาแล้วเป็นอนัตตาแล้วเราจะถือว่าโคบุตรเป็นของเราไม่ได้ก็เลยเสมือนหนึ่งมีเสมือนหนึ่งสักแตม่มีคือมีเสมือนหนึ่งไม่มีก็เลยสักแต่มี มันเป็นอย่างนั้นแต่คาพูดของพระพุทธองค์ว่าบางครั้งก็แสดงออกมาว่าไม่มีบุตรไม่มีโคไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ความไม่มีเนี่ยไม่ใช่ไม่มีมองไม่เห็นมีแต่สเสมือนหนึ่งไม่มีต้องเข้าใจความหมายเจตนารมนะฮะเจตนารมตัวเราไม่มีบางทีเขาพูดอย่างนั้นถ้าใครเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็ผิด คือเข้าใจภาษาธรรมดาที่เราพูดกันแล้วก็ผิดถ้าภาษาธรรมะคำว่าไม่มีคือเสมือนหนึ่งไม่มีเพราะมันยึดไม่ได้ก็ไม่มียังไงมันนั่งโดอยู่เนี่ยทุกๆคนมีทั้งนั้นแ่ะแต่ว่าถ้าใครยึดว่านี่ของฉันแล้วเป็นทุกข์ทีนี้สัพเพธรรมาอนัตตาแม่คำนี้ทีเดียวแต่ท่านไม่ได้กล่าวผิดนะตรงเป๊ะเลย ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาคนไปแปลถ้าเป็นนักแปลแล้วไม่ได้แปลตามหัวใจตามเจตนารมแปลคำต่อคำก็เลยแปลว่าทำทั้งหลายหรือทำทั้งหมดทั้งปวงนี่ใช่ตัวตนบางคนอุตสา์นี่ ระดับสูงๆเลอุตสาไปวงเล็บไว้ว่าทั้งสังกตะและอสังกตะสังกตะคือธาตุธรรมที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าสังขารอสังกตะคือธาตุธรรมที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งที่ชื่อว่าวิสังขารไปวงเล็บไว้ซะอีกวงเล็บไว้นั้นผิดเลยนะถ้าความรุนแรงเช่นนั้นอาการที่ผิดนี้ ดีไม่ดีนะครับแนะนำคนอื่นไปใครยึดถือผิดถึงไปอบายภูมินะคําเดียวนี่เท่านนะั้นสอนผิดเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ได้สอนว่าธรรมชาติทั้งตัวงทั้งสังตะทั้งอสังตะท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นนะพระอรหันต์องค์อื่นก็ไม่ได้กล่าวอย่างนั้น เรื่องนี้เคยมีพระในพุทธการคุยคือพระยะมกหรือยะมะกะก็แล้วแต่อ่านคุยใหญผมรู้ทั่วแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้ารู้ทั่วแล้วรู้ยังไงก็รู้นี่แหละสัพเพสังขารานิจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพรธรรมานตตาชัดแล้วรู้แล้ว และแถมยังสรุปว่าพระอาหารหันต์เนี่ยตายแล้วขาดศูนย์จุดนี้เป็นจุดสำคัญจะสัพเพธรร ม, มานตาโอ้โหพระอาหารหันต์ตกใจเนี่ยไม่ใช่ตกใจอะไรหรอกเป็นห่วงก็ไม่ได้ห่วงมากหรอกแต่ก็เป็นห่วงว่าแกเดินประกาศเปล่าๆออกไปอย่างนี้อีกหน่อยคงไม่แคล้วอบายภูมิก็พากันไปแก้ทิฏฐิของพระยะมก ให้เข้าใจใช่ถูกพระยามกก็ไม่รู้ตัวสักทีไม่เชื่อว่าตัวเองนี่พระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์นี่แล้วเป็นยังไงทุกคนเห็นท่าไม่ได้การก็พากันไปกราบในวัชการพระสาธีบุตรพระอรัครสาวกเบื้องขวาทีาเดียวบอกช่วยไปถาวายคำแนะนำจากพระยามกด้วยเถอะ ว่าทันยมกนี่ไปใหญ่แล้วว่า ง, งั้นปรเดี๋ยไม่แคล้วอใบายภูมินะฮะพระาสารีบุตรก็ไปเกลีย้ยกล่อมไปสอนทีเดียวไปถามทีเดียวไปถามเพื่อที่จะดูว่าพระยะมกเนี่ยรู้จักตถาคตไหมหรือรู้จักแต่เพียงสังขารเอาถามว่าทันญมกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหม คำนองนั้นนะคับผมจําคําพูดไม่ได้หมดอยู่ในหนังสือท่านบอกมีเออใช่ท่านก็ถามตะล่อมไปอีกออถามตะล่อมไปอีกเอ๊ะทามีเอาทาอย่างนั้น อ, อพูดอย่างง่ายง่ายล่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไหมทีนี้เอ่ยคำว่าพระพุทธเจ้าหมายถึงกถาคด ก็บอกว่าเป้นก็ไล่ไปไล่ามาก็จนด้วยกล้าวไม่รู้ว่าแยกไม่ออกสองเรื่องให้ไปอ่านดูเถอดว่าพระพุทธเจ้านั้นความจริงนั้นมีสังขารเหมือนกันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณนะฮะนั้นเป็นเพียงส่วนของเจ้าชายสิท ธ, ธ, ธัตะหรือรูปสังขารเท่านั้น นะฮะรูปสังขารเท่านั้นแต่ส่วนณภายในของท่านซึ่งเป็นตถาคตองจริงเน่ยคือธรรมกายส่วนนี้พระยมกไม่รู้จักไล่ไปไล่ามาเนี่ยตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ไไดพระสารีบุตรก็เลยบอกว่านี่นะท่านยมกจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยท่านยังไม่พบตัวตถาคตเลยแล้วทำไมถึงจะมาคุยว่าตนรู้แจ้งแล้ว ในพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ขีนาสบตายแล้วขาดศูนยะด้วยบุญบารมีของพระยะมุกนี่เต็มอยู่แล้วสกวิตววาตถาคตเท่นั้นน่ะวาวเลยขุดขึ้นในใจทำเอกผุดขึ้นในใจเป็นพระอรหันต์บุคคลนักบัต น, นั้นก็เลยบอกว่ากล้าวกระผมผิดไปแล้วกราบขอโทษพระสารีบุตร ทีนี้ภาษารีบุรก็ถามนย่ตรงนี้เราเป็นเงื่อนไขสําคัญถามว่าถ้าเผื่อว่าไปแล้วคนเขาจะถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือสังขารมีสภาวะเป็นอย่างไรพระยะมกก็ตอบว่าถ้ามีคนถามอย่างนี้ฟังให้ดีนะจำเพาะเรื่องสังขาร กระผมก็จะตอบว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิณ ญ, ญาณก็ไม่เที่ยงและกระผมจะกล่าวต่อไปว่าตรงนี้สําคัญสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ตรงนี้มาเข้าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขา นี่ฟังให้ดีนะผมจะกล่าวต่อไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์แล้วก็กล่าวต่อไปว่ายะทะนิจจังตังทุกขังนี่สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกข์นี่มันเชื่อมตรงนี้สิ่งนั้นแลเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นแลไม่ใช่ตัวตน เพระาะฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าสัพเพธรรมาอนัตตานะ่ะคือหมายถึงสิ่งที่เป็นอนิจจ์ทุกขังทั้งหลายเหล่านี้ที่ไม่เที่ยงที่เป็นทุกนี่แหละธรรมชาติทั้งหมดนี่แหละสัพเพธรมมาอนัตตามันมาสอดคล้องกับคําพูดของพระยะมกที่ว่าสัพเพสังขาราอนิจจา ยะถะนิจจังตังทุกขังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกยังทุกขังตังอนัตตาสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแลไม่ใช่ตัวตนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนหมายเอาสังขารเท่านั้นไม่ใช่วิสังขารด้วยและก็ไม่ใช่อสังกัตธาติอสังกตธรรมด้วยและพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่ง นั้นมีอยู่ในนิพพานสูตรที่สามชัดแจ้งนี่ดูกราภิกสุทั้งหลายธรรมชาติที่ไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วกระทำไม่ได้แล้วมีอยู่นี่ท่านว่าชัดเจนอย่างนี้และยังมีต่อไปอีกพระองค์ทรงสแสดงกับผู้ที่มาถามธรรมะของท่านนะฮะพระองค์ก็ทรงสแสดงสรุปจุดท้ายว่าธรรมชาตินี้มีสภาพลึก เห็นได้ยากตรัสรู <Yeah. S 1> also, ้ตามได้ยากเป็นธรรมละเอียดประนีดคิดเดาไม่ได้ด้วยเหตุผลธรรมดาแต่ใช้คำว่ายังไม่ได้ด้วยตักกะคิดเดาไม่ได้ด้วยเหตุผลธรรมดาแต่เป็นวิสัยที่บัณฑิตพึงรู้คือบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้และเห็นได้อันนี้เพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของท่านที่จะกล่าวทำชั้นสูง และที่จะปฏิบัติและนำผู้อื่นปฏิบัติทำชั้นสูงไปสู่มรรคผลนิพพานจึงกล่าวว่าเฉพาะในวิชาธรรมกายเท่านั้นที่เข้าไปรู้ไปเห็นจึงเข้าใจเรื่องนี้ทั้งๆที่พระบาลีตัวเดียวกันนั่นแหละพระบาลีวักเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นแต่ความหมายของผู้ไปเห็นกับความหมายของผู้ไม่ได้เห็นคนละอยา่างเห็นแล้วเห็นตามที่เป็นจริง จับเห็นตามความคิดเห็นของตัวเฉยๆนะมันคนละอย่างและจุดนี้เป็นจุดรุนแรงด้วยจะบาปหนักที่จะสอนคนอื่นที่จุดนี้แหละเพราะเป็นหัวเลวี้ยวหัวต่อว่าจะไปนิพพานใดไปอย่างไรเพราะถ้าเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีแม้กระทั่งนิพพานก็ไม่มีศูนย์นิพพานังประมังศูนย์อย่างศูนย์แลว้วไม่มี แล้วก็ไม่ถึงนิพานแน่นอนแต่อาจจะสงบจากกิเลสพอสมควรแต่ไม่ใช่ถึงนิพานแน่นอนเพราะนิพานนางประมังศูนย์ยังนะ่ะหมายถึงศูนย์กิเลสศูนย์อัตตาความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นด้วยปัญหาและทิฏฐิเท่านั้นเองนั่นคือสภาวะของนิพานนะครับเพราะฉะนั้นคําว่านิพานนี่ได้โปรดเข้าใจหลวงพ่อบอกว่ารู้แคบ ใจมันก็สอดไปได้แคบรู้กว้างมันก็สอดไปได้กว้างมองอย่างกว้างสัเถอะครับวันนิพานนั้นเรามองเห็นได้สามลักษณะหรือสามมุมมุมหนึ่งคือสภาวะนิพานคือสภาวะที่ว่างจากกิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานว่างจากภพจากชาติชารามรนะทุก ว่างจากความยึดว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขานี่อันนี้คือสภาวะนิพพานสิ่งที่แสดงหรือรองรับคุณสมบัติของนิพพานนี้ไม่ใช่กายเนื้อนะไม่ใช่กายใจจิตวิญญาณอันนี้เพราะอันนี้เป็นอันนิจจังทุกขังอนัตตา และเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงจะต้องการละวางสิ่งนี้จึงจึงมีจึงมีได้สิ่งนั้นคือธรรมกายธรรมกายนั่นเองเครื่องรองรับหรือเป็นตัวแสดงคุณธรรมของนิพพานแต่ตัวแสดงนี้จะชัดเจนบริบูรณ์บริสุทธิ์เต็มร้ยเอร์ คือธรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วที่ชื่อว่าพระนิพพานเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ความรู้สองอย่างหนึ่งสภาวะนิพพานเป็นความบริสุทธิ์เป็นคุณสมบัติแต่คุณสมบัตินี้จะต้องตั้งอยู่ณที่ใดที่หนึ่งแต่ไม่ใช่กายใจจิตวิญญาณของมนุษย์ทิพย์คมอรุปรพรมใดๆทั้งสิ้นแต่ตั้งอยู่หรือเป็นอยู่ที่ พระนิพพานคือกรรมกายที่บรรลุอรหัตผลแล้วและพระนิพพานนี้ก็ซ้อนอยู่ในท่ามกลางของสังขาร น, นี้นั่นเองไม่ได้อยู่ที่ไหนของจริงอยู่ในท่ามกลางของหลอกหรือของจริงอยู่ในท่ามกลางของสมมุติและมีอีกอย่างหนึ่งอายตตะนิพพานที่สถิตอยู่ของพระนิพพานที่เข้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วนะ อยู่พ้นพบสามนี้ขึ้นไปประมาณสามเท่าตัวนี่ผู้ที่เขาถึงธรรมกายเนี่ยเขาเห็นเพราะฉะนั้นเรากล่าวถึงนิพานน่คุณสมบัติหรือสภาวะอย่างหนึ่งองค์ที่เป็นทรงคุณสมบัติสภาวะไว้นี้ไวหนึ่งอายตนะที่รองรับองค์ผู้ทรงคุณสมบัติของสภาวะนิพานนี้อีกหนึ่ง ชื่อว่านิพานพระนิพานและอายตนะนิพานและนี้แหละที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงถึงว่ามีอยู่เพราะสิ่งนี้มีการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยปัจจัยปรุงแต่งจึงมีถ้าสิ่งนี้ไม่มีการสลัดออกซึ่งสังขารจะไม่ปรากฏในโลกนี้เลยนี่ในนิพานสูตรที่สามชัดเจนอย่างนี้ครับกระผมกล่าวมาจาเพาะ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 พราภิกษุสามเณรและสาธุชนสามารถเข้าร่วมรับการอบรมพระกรรมฐานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032254650และ253352กดต่อ220 ได้เป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงเพียงเท่านี้ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจโปรดติดตามรับฟังธรรมะจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมังเกิลมีแด่ท่านสาธุชนผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร